เทียบในทางลึกเพื่อให้นึกหลายๆทางน้าห้อยน้องครองบึงบางต่างๆไล่ลงสู่มหาสมุทรทเนโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไรยลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉัน น, ใ น, ในันนะนะ้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้เลยไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อเลยไม่เชื่อเป็นจริงก่อนผู้รู้ผู้เชื่อแล้วถ้าทําให้มีอยู่ก่อนล้วก็ไม่สามารถรู้ทําได้พระบรมศาสตรนะ ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำชัธโมคารุกาตโบลพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติสอนสวรรค์สมบัติสอนพรหมสมบัติสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วไม่มีนัดที่ใดๆจะสอนเหนือพระพุทธศาสนาเลยเ อ, อเรียกว่านายกาศาสนาทาั้งปวงในโลกหรือจอมพลาศาสนาทั้งพวงในโลก ชาวโลกจะให้คะแนนหรือไม่คะแนนก็ตามฝ้าก็สูงอยู่ใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ตามของดีก็ดีอยู่อย่างนั้นใครจะให้คะแนนแมลงพึ่งหรือไม่ให้คะแนนแมลงพึ่งก็ตามแมลงพึ่งก็เหนือแมลงวันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนฉันในก็ดีใครจะให้คะแนนพระพุทธศาสนาหรือไม่ให้คะแนนพระพุทธศาสนาก็ตาม พระพุทธศาสนาก็เหนือโลกอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยผู้ที่บารมีแก่กล้ามาเนี้ยก็ยินดีใน พ, พุทธศาสนาผู้บารมียังอ่อนอยู่ก็ไม่ยินดีเลยลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกชันทาคติรักสัต์รักรักระที่อื่นไม่รักพระพุทธศาสนาเรียกว่าชั้นทาคติ รังเขียบพระพุทธศาสนาเรียกว่าโทสาคติขบพระพุทธศาสนาไม่แตกเรียกว่าโมหาคติถ้าจะถือพระพุทธศาสนากลัวท่านผู้อื่นจะว่าให้เกรงผู้ผู้อื่นจะว่าให้เกรงผู้อื่นจะมาทํำลายเรียกพย า, ตาคติและคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤติพระพุทธศาสนาจะมีขานธ่านราพระองค์ก็ตามก็มาสั่งสอนอันเดียวกัน พระุธเจ้าที่ล่วงไปมากกว่าอาสงไขยจะมาในข้างหน้าก็มากกว่าอาสงไขมากกว่าร้อยโกดจนนับไม่ไหวอาสงไขยมาเป็นลูกๆ ก, ก, ก, ก, ก, ก็มากกว่าอาสงไขยตรงกันอยู่คําสอนเมื่อเลื่อมใสาศาสตนาพระโคดมก็ถ้กาว่าเรื่มไสพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นคําสอนอันเดียวกันไม่รับร่างพรบกันเลย เพราะไม่ชิงดีชิงเดนกันทาไมจึงไม่ลบลา้างเพราะมันถูกพอแล้วไม่มีที่แก้ไขและไม่มีที่เพิ่มเติมเช่นพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาก็มาตัดสร่อริยสัจสี่เหมือนกันหมดอริยสัจสี่ก็คือทุกข์สมุทยัยนิโรธมักทุกข์เป็นของควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นของควรเวน้นเหตุให้เกิดทุกข์มักเป็นของเจริญ คือตไตรสิกขาสิ้นสมาธิปัญญานิรนโรธเป็นของควรทํ า, าให้แจ้งทุกข์กับชโมทัยทุกเป็นอนัตตาที่ค ว, วรกําหนดรู้ชโมุทัยเป็นอนัตตาที่ควรเว้นนักเป็นอนัตตาที่ควรเจริญคือตไตรสิกขาคือศินนนน้นสมาธิปัญญาขวาว่าเปรตมื่นทีวะธรรมขันขวาว่าตไตรสิกขากว่านิโรธเป็นของควรทํ า, าให้แจ้ ให้แจ้งในคันธะสันดานคำํำมาแจ้งในคันธะสันดานหมายความว่าชนะความหลงแล้วแจ้งแล้วอุธบาทิอาโลโกในธรรมจั ก, กรพรวัฒนสูตรสว่างเหมือนไฟโพรงทําไมเราจึงอาบนา้ําพระร่างกายมันโชกประบุทำไมเราจึงปฏิบัติเห็นธรรเพราะจิตใจมันโชกประบุพระบมรมศาสนามายืนยันอะไรบ้าง ยืนยันตรงกันไหมยืนยันตรงกันทาเป็นโลกรบาลคุ้มครองโลกสองอย่างมีทำสองประเภทเท่านั้นคุ้มครองโลกได้ทีนี้ทีิี้ทีความละอายต่อบาปทุจริตโอ ต, ตะปะเสดุงกรูต่อบาทุจริตทำสองประการนี้มีอยู่ในหัวใจของชาวโลกแล้วชาวโลกก็ปกครองกันอยู่ถ้าไม่มีอยู่ในหัวใจของชาวโลกแล้วสไส กนไม้ในๆก็ตั้งขึ้นกี่หมื่นสองหมื่นกี่ล้านสองล้านมันก็ไม่อยู่อู่คลองทําไม่นําคําหนึ่งก็มัดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทางความช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับเอา้าถ้าชาวโลกมีเชิ้นท่าบริบูรณ์ดูดูสงครามก็ไม่มีทหารก็ไม่มีตํารวจก็ไม่มีโซ่ตรวนก็ไม่มีบุญแก่ก็ไม่มีอืม คดีดาคดีแด ง, งในรวมในศาลก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโรคเอดก็ไม่มีตรงนี้ไม่ต้องมีน้องในก็ไม่ต้องมีโทษตรวนก็ไม่อ่อเอ่อฝีมาม่วงก็ไม่ต้องมีเพราะเหตุใดเพราะมันมีขอบเขตอันนี้มันไม่ไม่มีขอบเขตเสียแล้วค่ากันตายอยู่ทุกขนทุกเขีงรักซกยกลอบที่ปร้นวิ่งลาววิ่งไทยวิ่งเจ็ดวิ่งกีนสารพัดอืม ค่ากันตายอยู่ทุกผนทุกเหงคมขืนกันอายุสิบเอ็ดสิบสองปีหแปดปีเก้าปีก็ขมขืนมันก็อสุนักมันมันยังรู้จักกว่าใช่ไหมเนี่ยพอขมขืนมันจึงขมขืนไม่พอขมขืนมันก็ไม่ขมขืนมันก็มีเตะและดูเดือนเก้าอสุนักโคกระบือกมันปีมี ม, มีมีเป็นเวรเป็นอย่าง ส่วนมนุษย์นี่ไม่มีเลยอีพ่ออีแม่เอ๋ยลูกใครเมียใครของใครไม่ทราบเออเห็นหน้ามาจึงเป็นลูกกูหลานกูเลี้ยกูไม่เห็นหน้ามาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรละเออเ อ, อ่อทุกคนก็ทุกเป็นขโมย อ, อีขโมยเต็มโลกเพราะไม่มีชิ้นห้า รัฐบาลก็ขโมยประชาชนประชาชนก็ขโมยรัฐบาลามีน้ำซ้ำพระที่ไม่มีศีลมีธรรมก็ไปขโมยกเขาอีกนั่นนั่นนั่นนั่ น, น, นเพียงศีลหน้าเท่านั้นโลกสงบแล้วพระองค์มาไน้ยืนยันว่าลูกได้เบิดนิวเคลียร์ลูกได้เบิดปรม า, น, มา น, นูเอมเท่านั้นเอมเท่านี้ เออสิ่งพวกเหล่านั้นเวีนสนองเวียนไผสนองไผ่แม่เนี่ยเอามาพูดเลยพระบรมศราลาปกครองโลกด้วยความไม่มีเวนี้นไผให้ปลดอาวุธแต่อาวุธไม่ปลดเลยอาวุธกิเลสตั้งกฎหมายหลอกถูกโอหกกันเฉยกฎหมายเนี่ยมันถูกอยู่กฎของคนมันไม่ถูกทิกฎกิเลสของคนกฎหมายตั้งไว้มันถูกกยู่มันก็มีบอสรอาปอ สะกดบาปก็อยู่ในหนังสือมันไม่กลัวว่าอยู่ในจิตในใจของตนเลยเอ้กูจําได้เสียข้าวโดเท่านั้นเสียข้าบโดเท่านี้เอ้เอมดโลกมีกี่ประเทศคงกะอยู่ในสองร้อยสามร้อยประเทศมีพลเมืองเท่าไหร่จีนกว่าพันล้านเอ่อจีนมากกว่าพันล้าน วไม่ใช่ไม่ใช่มือไทยมีห้าสิบล้านจีนมีพันล้านกว่าทีนี้นอกจากนั่นก็คิดเฉลี่ยมาดูหรู อ, อยู่ในระว่าหกเ0็ดพันล้านในประเทศในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยคนห้าหกพันล้านนั้นมีคนมีชิ้นหน้าพอพันล้านไม่คงจะจุดจุดจุดจุดไม่มี คงจะไม่มีแอ้าย้อนเข้ามาหาประเทศไทยดูดูประเทศไทยของเรามีประมาณหกชิฟลานมีพอหนึ่งล้านคนไหมมีที่ห้าคงจะจุดจุดจุ ด, จดไม่มีชะลอยจับใช้คำว่าชะลอยเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เรียกว่าคาดคะนีเรียกว่ า, า, ว, าวิจารณคงจะไม่มีอา้าว ผู้ที่ตั้งกฎหมายอยู่ในประเทศไทยของเรานี่มีกี่คนผู้แทนมีกี่คนอ๋อพวกผู้แทนเ่าตั้งกฎหมายพวกนายทุนเราตั้งกฎหมายอ๋อพวกผู้แทนกับพวกนายทุนทุนก็อันเดียวกันใช่ไหมเพราะไปหากีนกับำายทุนใช่ไหมอ่าคงจะไม่มีพอคนห้าคนหกผู้ตั้งกฎหมายประมาณห้ารอยคนใช่ไหมหรือสี่ร้อยในระหว่างนี้ละ ผู้แทนฮะเออคนสามรอยคนมีสิ้นห้าพอชิฟคนไหมไม่มีระดาจริงกริงยำจริ ง, งจริ ง, งนั่นนั่นนั่นตั้งคนหมาแล้วก็กอดค อ, อการไปซี่แตกแล้วใช่ไหมนั่นทำไมมันจึงสงบมันจะเอาสันติมาจากที่ไหนสันติก็อยู่ในที่สันผ้าใช่ไหมอยู่ที่ปืนใช่ไหมนั่นแหะสันติ มีแต่เลือดนองเลือดอยู่นั่นๆๆ่นั น, น, น, นพูดเพีงเพียงเพงเพียงเพีย ง, เ, ย ง, เ, ย ง, เ, ยงเลยเราทีนี้พระเจ้ากฎหมายว้ห้ามให้พระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไห น, น, นทีนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าที่ของโยมทากับพระทำยังไงหนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา สองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนุกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสีด้วยความเป็นผู้ไปไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยแห่อามิตรสถานขราวัตรับบำรุงชะนี้แล้วพิกษุสามณีนตอบเทนด้วยสถานหกหนึ่งห้ามเด็กทําความชั่ว สองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิงที่ฟังแล้วไห้แก้มหกบอกทางสว่างให้นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นน่นพระไตรปิฎกพระพุทสมาธิพระพุทธเจ้าเระสอนไว้เนี่ยไม่ใช่คนอื่นสอนไว้นั่นนันนันนัิฏตาปณิณาจักกะบัณฑิตเป็นคนหัวหน้า นัตถิภราพันนาสอากาศคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้าพระบรมศาสดาตั้งไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วเออนั่นนเอจะทําอะไรตั้งกฎอะไรขึ้นชาวโลกไม่มองดูคํามอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดใช่ไหมเพราะกรรมในผลของกรรมมันไม่ีถ้ากรรมในผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันเราก็ทําไปทั่วพิภพ เหตุที่ไม่ทำไปั่วยพิภพก็เพราะกรรมและผลของกรรมมันมีนั่นเองส่วนกฎหมายมันหลีกเลี่ยงได้แต่ผลของกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงผลของกรรมได้หลวงปูป่ไปยิงนกเขาตั้งแต่อายุห้าปีได้นกเขาตัวดี ย, ยิงด้วยผุออ้ที่เขาเรียกว่ากล้องเป่าในสมัยรัชกาลที่หกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าไม้างหรือไมอะไรไม่รู้กับเขา พอมันเปลี่ยนคํําคาเรียกกันเปลี่ยนสมมติกันเพ ร, ะเระาะแต่ก่อนรัชการที่หกกระพูดฮ่าฮ่าไม่มีเดี๋ยวนี้เอามาจากไหนไม่ทราบหรอกไม่ไม่ได้ดอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกมันเพิ่มขึ้นแล้วก็อ่อนภาษาเราก็ฟังไม่ออกเหมือนกันที่นี่มันตามมาถึงแนี่มันตามมาถึงหลวงปู่หลวงปูย่ยิงนกเขาตัวเดียวเท่า น, นั้นล่ะ แต่อายุสิบห้าปีลเลาไปยังนกเขาทองนกเขาทองตัวหนึ่งจับอยู่ที่ต้นไผ่สูงประมาณสิบเมตรจากดินพืชไปแล้วก็เวียนอ้อมไปมันมีป่าทึบ อ, อย่างนี้แหละมั น, นอันนั้นมันสูงโผล่ขึ้นไปต้นไผ่ต้นไผ่ไปลายแต่มันมันรกอย่างนี้แล้วก็เวียนคานเข้าไปคานเข้าไปเออ อ๋อก็เปลาประมาณสองวานพันโวยนุ่นลูกก็นี้แหละปุ๊บเกิดไปถูกใต้นมของมันถูกนี่หน้าอกของมันลึกขนาดนี้แหละไม่ทะลุดอกตกกแ๊กก็แก๊กๆๆมาแล้วก็เกรงว่ามันจะข้างคือแต่ก็ไม่ข้างตกลงมาเร็วๆก็แก๊กก็แก๊กตกลมาข้างจริ่งนั้นกิงนี้ก็หลุดลงมาลุกดลงมาลงมาตกปกลงมาที่หน้า ก็จับขึ้นมาได้แล้วครับถอนลูกสอนลูกพันนุ่นน่นออกลูกผู้ก็ก็ก็ก็สองคำเลยตายเออมึงมาทำกูทำไมไอ้ระยำเออกูจะขอดเวรมึงค่อยๆมันจะว่าค่อยๆมันจะว่ายังไงก็ก็ก็ก็สองคำแล้วก็ใจขาดตายเลยแต่นั่นมาได้นกตัวเดียวนั่นเองแต่อายุสิบห้าปี พอมาถึงสองพันห้าร้อยสามสิบเดินยังกรมอยู่มันก็ระเบิดขึ้นเนี่ยเหื่อแตกโทกโคปวดเจ็บมากไปโรงพยาบาลศรีนครินคอนแก่นเกือบไม่ทันนั่นแหละเวีนกเขาตัวนั่นเวีนตอดโคลก็ตามมาแล้วจับโคช่วยเขาตัวเดียวเท่านั้นไม่ไดจับโคช่วยเขาแล้วก็พูดรอมันเล่น แต่ 2,475 เขาจะแปลงรูปแปลงโฉมให้มึงมึงอย่าขี้โลมากมึงอย่าลองมนงลองอูกอุ๊อุ๊อกมันปวดรูปอันธะมันแล้วก็หัวละมันเล่นพอมาถึง 2,522 มันก็มาแปลงรูปแปลงโฉมให้เราซะทรมานอยู่16ปีที่ มันก็เลยออกที่นี่มันออกใหญ่กว้างขวางที่นี่ออกท่านี้เอาเข้าไม่ได้ที่นี่เอาเข้ามาได้ก็สลบเลยแล้วก็พอรูดตัวเขาอยู่ขอนแก่นเดี๋ยเขาผ่านเรียบร้อยแล้วนั่นนั่นนัเวทนําท่านไทกระ บ, บองน้ากดน้ <c oughs> องจักกระ บ, บองน้องวกโต้นั่นอืโทษชอบกินตะกับชอบกินตะกับตับกบเนี่ย เรื่องโู้เรื่องควาอ่าเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องโคเรื่องกระบือจะเป็นเด็กอายุชิบสามชิบสี่ปีชิบห้าปีออกโรงเรียนนะเขาเรียกโคเจ้าของโคก็ไม่มีมากหรอกเออสองสามสี่ตัวเออโคตัวเมียก็มีประมาณยี่สิบสามสิบตัวแต่ว่าปล่อยทิ้งอ่าอยู่มาอยู่มาพอเราโตมาก็ร่อยรอดทิ้งหมดที่นี่ ถ้ากินแต่ทับกบถ้าไปปิ้งกบแล้วกบ ร, ระดูแรง้งมันไม่มีไส้เดือน uh. เป็นอีกเรื่องโคผูกเอวไปตายทไหนก็ปิ้งที่นั้นอืม uh. เอาตามทุง่งปิ้งแล้วกไ็ไอตัวเพื่อนตัวไหนมันเซอ่อมันยังไม่ได้กินละเราเอาตับมันไปกินก่อน <c oughs> เอาตับกับพุงของมันกินก่อนนะชอบวันนั้น uh. ที่นี่สอันห้าร้อยเยซีวก็เกิด สองพันห้าร้อยสามบก็เกิดขึ้นพ่อมกับอันนี้เป็นทุกน้ำดีเป็นนิ้วตาเหลืองเข้าตาเหลืองเข้าตาเหลืองเข้าตาเหลืองเข้าแล้วก็เขาก็เลยหายามาให้ฉันฉันยาอยู่หกปี<อ>ยาเยอระมันเม็ดละสามเชบบาทวันละสองเม็ดแต่นี่หยุดแล้วไม่ได้ฉันจึงพอประทังมาทางอยู่แต่ก็ยังไม่หายเลยนั่นผลของกรรม ทำอะไรไหวเห็นทั้งนั้นจะย่นลงสั้นก็ไม่มีประมาณจะขยายออกก็ไม่มีประมาณประมาณสีกอื่นมีประมาณกุณพระพุทธธรรมผสมไม่มีประมาณแล้วประมาณโอพุทธโทธรรมโอสังโฆไม่มีประมาณศาสนาใดๆเป็นเมืองขึ้นศาสนาพุทธหมดอยู่ในตัวทาไมเขาจึงไม่เลื่อมใสเพราะบารมียังอ่อนกัมมุนาวัตถีโลกุสรโลกเป็นไปตามกรรม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําโลกทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยผู้ปาิสนธพระพุทธศาสนาก็สืบต่อกันไปมีพุทธจริย์สามพุทธะจริยาทรงประพฤตเพื่อเป็นพระสมานาพรพุทธเจ้ายาตตะจริยาเพื่อสงเคราะห์ญาโลตตะจริยาเพื่อสงเคราะห์โลกจึงทรงพระนามมาสัตถาเทวมนุษย์ทานังนเป็นผู้สอนของเทวดาแในมนุษย์ทางหลายเต็มภูมิเลยค มนสมบัติสวรรสมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัตเป็นลำดับคําสอนพระพุทธศาสนาะทําไมคนจึงเรื่อมใสน้อยนะกเพราะเห็นว่าบารมีอ่อนอยู่ก็ต้องดูตามเรื่องของกรรมมูนาวัตติโรโกถ้าบารมีแก่กล้ามาแล้วก็จัมาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาะทางนั้นเช่นโมคคันลาสารีบุตรก็มาจากสนชัยปริภาชกแม่ ปรารถนามาแต่ข้างพระเจ้าอโนมทัศสีก็ยังไปเรื่มใส่พวกศาสนอื่นอยู่เพื่อทดสอบอยู่ในตัวพราะว่าได้เช่นพระบรมศาสนาก็เอารัฐที่อื่นมาปฏิบัติอานารดาบทอุตการาบทรามบุตรมันเท็จจริงเพียงใดเราก็ต้องไปปฏิบัตดิดูมันมีประโยชน์ต่อเมื่อเราเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่น เราไปปจุบัติแล้วอาราบอุวัฏจารดาาบทรามาบดมันไม่เป็นหนทางข้ามมัตตาสงสานจะเอาได้เป็นพยานของพระองค์ในเวลาที่ทัศรูไปไม่ใช่ว่าจะเสียเฉยๆนั่นนั่นกฎหมายกฎหมู่กฎอพักค้อูตั้งขึ้นไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดอพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มายืนยันยืนยันกับเยืนหยัดก้อนเดียวกัน ทำเป็นโลกปมาทคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่ำบาปความกลัวต่ำบาปทีนี้ความละอายต่ำบาปอุต่ำบาปอัรุนกลัวต่ำบาปทำสองประการนี้เองจะคุ้มครองโลกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มายืนยันเลยถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุ น, นั้นเราจึงเคารพทำชัตธมโมคารุกาตโมฆ่าโลกตั้งกฎหมายกฎหมูกัดพักกัดพวกขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอด นกรรมและผ ล, ล, ล, ล, ล, ลของกรรมมันมีอยู่รัฐที่ใดๆก็ตามจะบัญญัติกรรมและผลก็กรรมถูกไม่เป็นปัญหาไม่ถูกถก็ไม่เป็นปัญหาอมีพระพุทธศาสนาถ้าอ่านนั้นบัญญัตบิบาปบุญคุณโทษถูกเนื้อแ น, อนั้นก็เข้าข้างตัวบ้างเข้าข้างพักของตัวบ้างถูกไเมกามีกิเลสนะ่ะอพระพุทธศาสนาะอ่อมีปัญหาสอดเข้ามาว่าทุกวันนี้พระก็ยุงย่งเหยิ ในเรื่องปฏิบัติไม่ถูกหน้าไม่น่าเรื่อมใส่ไว้ครั้งขงพุทธการยังเก่งกว่านี้ภาษาอะไรในข่าวนี้คู่ทั้งหเบียดเยบือนแล้วพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดพระเทวทัตก็ไปไม่รอดพระเทวทัตคือใครก็คือลุงของพระบรมศาสดานั่นเองสุปาพุทธคือใครก็คือพ่อตาของพระบรมศาสดานั่นเองเวียดเบียนก็ไปไม่รอดนั่นนั่น น, น, นั่นัเอา้าเราจะถามยอดเข้าไปเอกแคนี้มีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาไ ด, ไ ด, ได้หรือไม่เราจะถามเอกแนีมีกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าได้หรือไม่มันก็ไม่มีเลเอถ้าขึ้นไม่ถึงมันตกที่ไหนมันกระตกใส่หน้าของใครของมันมีกองทัพกาผนโรอรมได้หรือไม่ก็ไม่มีตาของใครของมันก็เข้าอีกะมีกองทัพ คว่างกว่าคว้านใส่ต้นเสาได้ไหมก็ไม่ได้คว่างไกลมันไม่ถึงกว้างใกล้นักมวยเอกก็หลบไม่ทันใช่ไหม <c oughs> นั่นนั่นคนทั้งหลายเห็นพระทำผิดแ ล, ล้วก็ไม่น่าเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะพบพระพุทธศาสน า, น า, นานไม่แตกนะใครทําผิดมันก็ผิดแต่เฉพาะผู้นั้นคนอื่นไม่ทําผิดพระพุทธศาสนานเสื่อมเป็นไม่ไม่เสื่อมผู้ปฏิบัติเสื่อมทางธ ยกยุกไหนๆก็มาตัดเช้าอริยสัจสีทั้งนั้นทุกสมุทัยในโรถมัดไม่เสื่อมไปไหนทําไฟเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับอยู่ฮาระหว่างไม่ได้ทำไม่ไม่ไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ฮาระหว่างไม่ได้คือพระนิพพานอนัตตาไฟเกิดดับก็เกิดดับอยู่ฮาระหว่างไม่ได้อนัตตาไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ฮาระหว่างไม่ได้ใครจะรู้ทําไำจริงปฏิบัติตามไจริงหรือไม่ทำทั้งหลายก็มานจะมาง้อคนให้รู้ใช่มไหม เวสัตถโมชนันตโมพระธรรมเป็นของเก่าอเดอกบัวสี่เหล่ามีแต่ขั้งพุทธการไหมขั้งนี้ก็มีใช่ไหมดอกมารก็มารเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ําก็เสมอหน้าเต็มภูมิดอกใต้หน้าก็ใต้น้ําเต็มภูมิใช่ไหมงานมีอยู่ทุกขั้งทุกสมัยถ้าจอยากจะกล่าวตัวว่าพุทธศาสนาเสื่อมมันก็ไม่ถูกเพราะพุทธสิ S 1> <S 1> อแม่ชาโอไปได้ไหยแม่ชาโม่ไปได้ไห ม, ม, ม, อ, ไไไหมอ๋อผู้ที่รวยไม่เป็นธรรมไปได้ไหมเหนือเขาตีแข้งตีขาอยู่นั่นแหละลำกานอยู่นั่นแหละถูกไหมนั่นผลของกรรมถ้าผลของกรรมไม่มีเรากร็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันที่พูดนี้เพื่อให้ลูกลูกห ล, ลา น, ลานให้ชาวพุทธทําไมจึงใช้คำว่าลูกหลานมองดูแล้วคงจะไม่มีผู้อายุถึงหลวงปู่ก็เรียกว่าลูกลูกหลานสิ มองดูเลยแนีะยหลวงปู่เปนแปดชิปกว่าเนี่ยนะอ่าใครไปผูกอเล็กชิปหาตายเนออ้อเออไม่ใช่พระเลขพระปฏิบัติเพว่คนทุกข์พระเล่นเลขสู้เขารักษาสิ้นห้าไม่ได้ถ้าพระเ ล, เ, ลเล่นเลขโยมก็เล่นเลขช่วยกันเล่นพระไปตกนรกพระก็อยู่ใต้โยมโยมก็เหยียบคอพระอยู่ใช่ไหมอยู่ในคุมนรก่ Hmm. อันนี้พอที่จะร no si ู้จักเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วที่พูดเช่นนี้เพื่อให้เชื่อกรรมและผลของกรรมเพื่อให้เลือกทําทํามันโยตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อธันตโยตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทำอันนี้เป็นธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันมีภูมิธรรมเป็นยังไงบ้างตอบมาสิ เพื่อจะได้ปฏิบัติง่ายหนึ่งไม่เสียดายอยากถือศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาะทําไมจะไม่เสียดายถือศาสนาอื่นเพราะเห็นว่าพระพุทธศาสนาะสอนมนุษย์สมบัสวรรค์สมบัติภูมสมบันิพพานสมบัติเต็มภูมิเลยไม่มีลักที่ใดๆจะสอนเหนือไปกว่านี้และเสมอหนุนี้เชื่อแล้วสักยะทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุไม่ถือตนถือตัวเนี่ย พระพุทธศาสน า, มสาไม่ขี้คิดษาไม่ลังเลในพุทธศาสนาศีลธรรตปรามาสไม่รูปรคำคำสอนพระพุทธศาสนาครบคําสอนพระพุทธศาสนาแตกดังนั้าปฏิบัติตามสติกําลังของตนไม่สงสัยเลยไม่เชื่อใจถือศาสนาอื่นไม่เชื่อใจอย่ากจะล่วงละเมิดชิ น, น่าไม่เชื่อใจอยากจะล่วงอําะเมิดอบายยมุกไม่เชื่อใจอยาม จะถืออยู่ยงคงกระพัน์ไม่เชื่อใจอยากจะถือเหลิอดียามดีไม่เชื่อใจอยากจะจองเวรท่านผูน้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จะถึงกับจองเวรมึงเถอะกูไม่ได้มึงเหลี่ยมนั้นกูจะเอามึงเหลี่ยมนี้ไม่มีในพระสุทัน์วันเคยได้ทำผิดเขามาแต่ชาติก่อนก็นกนกนกดีปจัจจบันนี่ก็ดีไว้เล่ากันไปสะข้าพเจ้าจะไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยนะั่ภูมิพระสุทาวัน เมื่อเช่้อไดไม่ใช่้อไ ด, ไได้อยากจะคบเม็ดชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาเขาบอกให้ดื่มสุราครับพอแล้วขออภัยด้วยเพราะเป็นโรคโรคหลายชนิดโรคอะไรก็โรคบาปนั่นเองแต่ไม่อธิบายเพราะเก่งเขาจะเอาคำปั้นใช้โรคบาปนั่นเองนับมือใส่เขาอย่างนี้ครับครับครับขออภัยขออภัยมากโรคเมีมากเดี๋ยวนี่ขออภัยเขาทำไมลําบากเขาไม่ทึ้ตัวหลักรับเขาเรา เขาลบเขาครับครับขออภัยมากอย่างน้อยเขาก็เขกหัวข้างหนึ่งเท่านั้นก็ยอมให้เขาเกตนะอย่างน้อยเขาก็เทนหลารถหัวแวก็ยอมให้เขาเทซะเขาเทเล้ารถหัวบักหาเท่านั้นก็แล้วไปเรากที่หลังเขาก็บอกว่าอย่าไปวุ่นมันหแบกนั่นเขาก็ว่าเท่านั้นเขาเขาก็ว่าเท่านั้นมันก็เลี่ไปอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเขาไม่ดินเล่าแล้วเขาว่าไม่ไม่เอื้อมมือมาให้เราเราก็โกรธมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราอยากจะหยุดมันก็หยุดได้ เ, เขาไมา่ได้ข่มเหงเ่ะถูกไหมไม่เสียดายอยากจะดื่มชุราไม่เสียดายอยากจักะค่าขายเครื่องประหาค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเอนเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้ ท่านพระสวสดวันไม่เสียดายร่วงระเมิดเลยสิ่งไหนที่ไม่เสียดายร่วงระเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเหมือนเราไม่เสียดายอยากจะลงลุยหลุมฐานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจทำไมจึงไม่เสียดายเพราะเห็นว่ามันเป็นโทษรุวนร้วนไม่เสียดายลงลุยหลุมโธดโธ่มันก็ไม่หนักใจนั่นั่นนั่ น, น, น เช่นแมลงผู้แมลงพึ่งแม่เชดาอยากเออเามูดคูดมากินเมืองมันเลยเหมือนแมลงวันมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเพราะเหตุใดเพราะมันเป็นคนอาถรณะจะทําท่า ท, ทําทางเกร่ง ท, ทํา ท, ท่าทําทางเกรงสักเพียงใดก็ตามเคร่งสักเพียงใดก็ตาม ถ้าเทียดายร่วงละเมิดสิ้นห้าถ้าเทดายร่วงละเมิดอบายมุกมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันมันก็เป็นพระโสดันโสดาโสดาษคณีใช่ไหมอือดันทุรังเอาแต่ความเห็นของตนคาดคณีเอาแต่ความเห็นของตนบัญญัติไม่ถูกเออบัญญัติบาบุญคุณโทษไม่ถูกพระสมมานพรพุทธเจ้าเท่านั้นบัญญัติถูกเอ อ, เ, อ, อเพราะไม่มีกิเลส ถ้าถึงพระสวัสดวันแล้วสักกท า, ค า, า, าคามีอาณาคามีอารานก็เบอร์บาลปิปาบานหน้าไปเองนอกบัวสีเราก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการของโลกด้วยไม่ได้มีแต่ครั้งพุทธกาลพระสวัสดวันเป็นดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำบ้างแล้วพระอาณาหารบานไปแล้วพระอนณาคามีจะบาลในวันพรุ่งนี้พระสักาคามีบานในวันต่อต่อ พระโสดาบันก็บานในวันต่อๆคข้า่าวันต่อๆก็มีหลายปีหลายเดือนเทียบสมมติน่นๆนั่ น, น, น, น, นดอกบวัวที่เราไม่มีแต่ข้างพุทธการั้างนี้ก็มีคนทาไมจึงไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาพระบารมีท่านเหล่านั้นยังอ่อนอยู่ถ้าบารมีแก่กล้ามาแล้ ว, าาลวก็จะมารวมพลกันที่ศาสนาพุทธก็จะไปรวมพลกันที่พระนิพพาน แต่ยังไม่มีคิวสัตย์ทั้งปวงในใจโลกธาตุจะไปรวมผลกันที่พระนิพพานวัดนับเตะสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งทั้งทั้งใจโลกธาตุซัดเถือกสัดการซัดว่ายในน้ําดําในดินบินในอากาศโยนิสีเกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่และเกิดพุดขึ้นชาาพระชาเกิดในคันอันธชาเกิดในฟองไข่สังเสสะชาเกิดในเท่าไข่อุปปาติกะเกิดพุดขึ้นพก็จะ ไปรวมคิวกันที่พระนิพพานแต่บารมียังอ่อนก็อยู่ตามชั้นวันณะของตนจำเป็นจำไปก็มอบให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าอยู่ในตัวเหตุนั้นยังมีพระสมายเร้พุทธเจ้ามาเป็นยุกๆกยุกกยุกกกกไม่ขาดจายเลยเท่านี้ก็คงจับพอแล้วกำลังเพื่อแน่ต้องการพ้นทุกนัยวัจบันในชาติคือเพื่อบารมีแก่ก้า ของท่านเ่านั้นมาแล้วท่านเ่านั้นก็พอใจพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมก็ลมเขาออกเลยผู้แก่กล้ามาแล้วก็เป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นพร้อมเขาดมหาใจเขาออกเมื่อยึดถือสิ่งใดในโลกเมื่อยึดถือนิมิตนิม้อยอะไรเลยสิ่งก็ลมพ้อยู่ในปัจจุบันสมาธิก็ลมพ้ในปัจจุบันปัจจุบันพระสวัสดิ์มันปัจจุบันสักตาคารีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหันต์จะเอามาเทียบกันไม่ได้ ไตรสิขาของพระโสดาบันไตรสิขาของสกคาคามีไตรสิขาของพระอนาคามีไตรสิขาของพระลาหนไตรสิขาของพระพุทเจ้ไตรสิขาของพระพนาจังพระเจ้าเอามาเทียบกันไม่ได้เพระมียานทรัพยุทธ์ต่างกันทำแถวระวัตรบาดส่งต่อพระเทพรานหมดพระโสดาบันเรียนนโมนโมแปลว่าน้อมนอมไม่ล่วงละเมิดชิ้นหานโมพระโสดาบันนโมพระลาหนพระลาหนเรียนนโมจบไม่โล่ไม่โกรธแหมไม่หลง ไม่มาเกิดเกยเก็ตายอีกเรียนนนโมจบแล้วพระหันข้ามพุทธการเรียนถึงเก่าประโยคไหมมัชชีพนิพพานเอง่งเป็นเก้ า, าเรียนถึงเก่าประโยคเหมือนกันคำฉลองเจ้าพระพพระบาทส่งต่อพระเทพรานหมดชั้นหนโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระเทพรานแปลว่านอกไม่มาเกิดมาเกยมาเก็ บ, ม า, กบมาตายนอกไม่มีโรคไม่ปวดไม่หลงแน่นพระหันเรียนหนโมจบส่วนพระสุทธบาลก็ต่ำลงมาเป็นลําดับใครอยู่ระดับใด ก็น้อมธรรมะลงมาในระดับนํานั้นทำจาราวราบาตรส่งต่อพระเทพานนทใไตสราคมของพระราหันพระราหันยันไตสนาคมจบแล้วคมจนไม่มาโลกมากวนมาลงนมโมพุทธชนคนหมากันนมโมนมโมเล็กนมโมฟานมโมบัตินมโมเบอร์นมโมชิบหายแต่นมโมไม่ได้ชิบหายตัวของเราชิบหายเองนอกจากไกลไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจ นอกจากใจไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจพระทหารท่านก็มีใจเหมือนกันแต่ท่านไม่ยึดถือใจเอาเป็นตนตนเป็นใจไม่ยึดถือว่าทําเป็นตนตนเป็นธรรมทาเป็นสักว่าทำใจเป็นรักว่าใจรู้เป็นรักว่ารู้ผู้เห็นเป็นรักว่าผู้เห็นถ้ามายึดถือสิ่งใดใในโลกท่านก็ข้ามทะเลหลงไปซักบารมีของท่านแก่กล้ามาแล้วแต่บารมีของพวกเรายังอ่อนอยู่ก็ ก็เจรจอากาขอเจรจอาคาอยู่นั่นเองถูกไหมให้ทานรักษาฉีนภาวนาเพื่อเพ้นทุกข์กาบสามหวหนกเพื่อพ้นทุกข์เท่านั้นไม่เพื่ออะไร ถ, ไถ้าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ปัญหาก็ไม่มากถ้าปฏิบัติเพื่อปัจจัยสีปัญหาก็มากนี่ทำไมจึงปัญหามากก็เพราะเกลียดมากปัญหาก็มากถ้าเกลียดไม่มากปัญหาก็ไม่มาก ใครเป็นผู้หาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พะไม่เห็นพระทหารหาความสุขในโลกไม่เจอไม่จบไม่พบไม่พบไม่เห็นเหตุนั้นจึงข้ามทะเลใจไปซักนอกจากใจก็มามีอะไรจะหลงใจนอกจากใจก็มามีอะไรจะยึดถือใจหลงใจตอนไหนก็หลงธรรมตอนนั้น ไม่ยึดถือใจตอนไหนก็ไม่ไมีเกตตอนนั้นอัตวาทุปทานก็แตกก็เจิงอุปทานทั้งสีการมุป า, นนาทปานถือมันในกรมทิฏฐุปทานถือมันในทิฏฐิสีระัตุปทานถือมันในสินพรตอัตวาทุปทานถือมันในอกถือมันวทฏวตัตตนว่าตัวอัตวาทุปาทานเป็นทกิจอมพลของกเกตทั้งหลายถ้าชนะอัตวาทุปทานแล้ว อุปทานทั้งพวงก็เถก เ, เจิงไปนะที่นั่นเองโยคาสีอาสวะสีก็เหมือนกันมีทำชั้นสูงเมื่อทำชั้นสูงฉีนก็ชั้นสูงสมาธิก็ชั้นสูงไปตามกันปัญญาก็ชั้นสูงไปตามกันเมื่อปัจป จ, รรปจุบันสูงเจ้าพันัญจะโยทำมั่งผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่ ง, นงนอนแง่งคอนเคนแลฉันทะ พอใจรักไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลที่ตั้งไว้ในปัจจุบันคุณที่อย่างนี้ไม่บริบุรแล้วอาจชักนาบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์เช่งเหมือนพระพิสัยศรัทธาเชื่อกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิทยาเปลี่ยนในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติรอบรู้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงพระคือทํำกําลังห้าอย่าก็อยู่รวมผลกันในปัจจุบันศีลก็เหมือนกันตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญาตั้งมั่นรอบรู้ในปัจจุบันตกงศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเชือกสามเกี่ยวเหนียวร่างกันอยู่พุทโธธรรมโกก็เหมือนกัน ว่าเป็นว่าเป็นจเจตเกคนิค่ะคือว่าเป็นสามถ้าว่าเป็นสองก็กลายกับใจถ้าว่าเป็นหนึ่งก็มโนพบฟังย่นลงในปัจจุบันค้ำทั้งหลายย่นลงในปัจจุบันเลยตาเลี้ยซิขาแปดหมื่นชีพระธรรมขันย่นลงในปัจจุบันเลยชั้นสูงทีนี้ศีนก็ชั้นสูงสมาธิก็ชั้นสูงขึ้นไปกันตามลําดับหนังสูหนังแก่เนื้อก็แก่กระดูกก็แก่ เพราะอัญญะมันยะด้วยกันเหมือนกันตาแก่หูก็แก่แก้มก็แก่หน้าแก่ตาก็แก่เคยเห็นหน้ากันอยู่แต่ก็เห็นตากันเหมือนกันแต่พูดอักษรยอ่อเชนไอก็ ก, ก็ก็ดีเมื่อเห็นชัดในปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสยัยเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตจะสงสยัยทาไมเออนโลกรองในปัจจุบันแลว สังฆราพรมาทุกขาสังฆ า, าเป็นทุกอย่างยิ่งโรกเป็นทุกอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้วอดีตที่โรคไปอนาคตเทียมมาถึงก็อันเดียวกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะหนายความหลงของตนไปได้พระหัสน์ท่านนายความหลงของตนแล้วไม่มาหลงอีกเลยเพราะมหาสติพระมหาปัญญาแข็งแกร่งในที่นี้แล้วก็ไม่นหนักก็ก็หนายในที่นี่ชนะในที่นี้เอ่ชนะความหลงอยู่ที่ พระนครหลวงใจในี่ไม่ได้ชนะที่อื่นนะนะไม่ยึดถือไว้ใจเป็นตนตนเป็นใจไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นรัษาผู้รู้ใจเป็นรัษาความใจะทําเป็นรัว่าธรรมข้าก็ข้ามทะเลใจข้ามทะเลหลงข้ามทะเลผู้รู้ไปแล้วเอวังก็หยุดเพียนนี้เถ่นนะ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 เฉพาะศพแต่ความสักความเจริญในบวรแพุทธศาสน า, าพระพุทธมาถพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่ถูกทุกโดยชอบโดยด่วนนะพระจบานจิตปัจจุบันธรรมโดยไม่เหลืออยู่ทุกหน้าเทินใครจะพ้นจากกิเลสทั้งปวงนับแต่พระสวราดบัณฑ์ก็ดีเป็นเอกเทศไปก็ดีหรือรุดเดียวก็ดีก็พระเจ้าันจิตปัจจุบันธรรมเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตอดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังไม่ถึง อดีตดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้วอนาคตดีก็ยังไม่ทันดีชั่วก็ยังไม่ทันชั่วจะข้ามทะเลหลงตอนไหนไหนก็ข้ามในปัจจุบันนักิตปัจจุบันธรรมนั่นเองเมื่อข้ามแล้วก็ไม่ไติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามไม่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วยไม่ติดอยู่ในอนดีต ด, ด้วยไม่ติดอยู่ในอนาคตด้วยเอ้าพระรอรหันต์พระอรหันต์ท่าน ในรักษาจิตไม่พระทหารท่านไม่ได้รักษาจิตเลยเพราะจิตของท่าน ม, มีกิเลสนี่ถ้าพระทหารรักษาจิตอยู่พระทหารก็ต้องเป็นคนคุมนักโทษเพราะเกรงนักโทษจะรักหนีด้วย เกรงนักโทษจะมาทําอันตรายเกี่ยวตนด้วยเหตุนั้นท่านจึงมาในรักษากจิตเลยแต่พวกเราไม่รักษามันก็ผิดจริงจรใช่ไหมเหตุฉะนั้นจึงบัญญัติว่ารูปจิจตใจติสิกนิพพานรูปจิจตใจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพานถ้าทําถูกก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าทําผิดก็เป็นหนทางลงสู่นะรบับยศลงมาเป็นเอกานิบาต มโนผูฟังขมามามโนเสดท่ามโนเมียทำทั้งหลายเป็นมีใจเป็นใหญ่เมื่อมายึดถือใจไม่ยึดถือธรรมทั้งเวงแล้วยมันข้ามทะเลหลงไปซักก็ไม่ได้รักษาจิตพระอรหนก็ไม่ได้รักษาจิตนกบินในอากาศมันรักษาลอยมันไม่มันก็ไม่รักษารอยมีเชื้อหน้ามก็ไม่ได้รักษาแผลแสใช่ไหมยี่ว่างเอาละสองกันสองกันสามกันสี่กันเนี่ย ถ้าเจ็บมาแล้วพระพวกนเนี่ยหาเหลี่ยมจะพน่นเท่านั้นใช่ไหมเห็นโลกไปเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วบางมือไหนก็เห็นความเก่าบางมือไหนก็เห็นความเก่ า, าอยู่แล้วกันนายความโง่จะของสัตวาหาต์หรือไห้จะคะแนนความงโง่ผายผ้าไห้คะแนนความงโง่กิเลสกิเลมันใส่หันขวาหันกับหลังหันขัดผ้าวันหน้าแล้วมึงได้กินอีหยังเพราะว่า มันมาซิฟที่หูเนี่ยมันย่านนี้จากมันพระเจ้าบอกขันติไปวัดได้เมึ่ไปกินที่แตกเนี่ยคับมันผลว่ามันมันซิฟนี่ขันติลายพ่างที่วายกินที่แตกเนี่ยเพราะว่าเอ่อขันเอาของไปท่านเนี่ยสิท่าแต่ปากเนี่ยเพราะว่าเอ่อกิเลสมันมากกับซิฟหูเนี่ยมันทรมาร์ดเน่ยพราะแห้งเนี่ยใส่หันขวานหันกิเลสบัดนี่ต่อสู้กับกิเลสที่บาดนี่ต่อสู้กับความหลงเจ้าของตัวฮะเนี่ยนั่นเอ่อถ่ายก็ถ่ายซะ ตําเนีงก็ยืยนแค่เดียวอาปากกินลนตลอดตลอดวันตลอดคืนก็ตามก็เท่าเก่านั่นเองไปพุทธมโมเสงโคตามเพื่อรดตําเนีงกิเลสนั่นเองให้เบาบางได้สะเท่งหายไปเอากระว่าดตัวดได้มเะยซื้อเงินเวี๋วไหวเพร่มือแล้วชิลอยห้าลอยมือแล้วพันบุพกินตะกียกแต่รัชการที่หกมีเงินพูนอร่อยแล้วพันก็บว่าสมกลัว สูงเหน่อยบ่มีเพื่อรานท้องลานสามลานแล้วก็ใส่สัานั่นลานนึงไปเฮ็ดเงื่อนก็เล็บก็ได้ไม่ได้หัดของใส่เงื่อนนั่นคักปัญญเสมอฉันพระพุทธเจ้ายังสอนให้หนายลกูกไม่หมามอ่ะจกตากริน้นอยู่นี่เขาสูขันย่าผ้าแล้วซูจิตมาจกตากริน้นอยู่นี่มองห่าไปาตัวพระพุทธเจ้าพระจะพาไปหลวพระพุทธเจ้ารักกันรักษาศีลลูกเอ้ รักษาพระวนาแล้วมจะมาจกตากันชินเยอะหนิมันมีทุกข์ก็สัมปวุติเจ้า้ามชินพรวนาหนายิบรีบลูกเอยนะจ๊ะเดี๋ยวจเสียใจฝ่ายหลังสัมว่าฝ่ายไบหัวมหลุก้านด้วยหลกล้าน่ออื่นทั้งสีมอดมันสีได้บ่เฝ้ามอดจนตัวจนดันวเพ่นพระพุทธเจ้ามาหาคามตายมาถึงแล้วเขาบ่กว่าเน็หายท่านรักษาชินพระวนาใหญเขาตายาแล้วระไดวได้ว่าสัมพุทธเจ้าความายมาถึงแล้ว ไม่มีท่านผู้ใดไถ่ถอนได้ด้วยเวทมนต์หรือด้วยทรัพย์พระพุทธเจ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมไม่เราจึงเชื่อพระพุทธศาสนาใครใครบัญญัติกำและผลของกรรมถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือเท่านั้นอย่าเอามาเอ่ยเลย <g ül> เหลือหลังนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยศาส ศาสนาใดๆก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสานาดังนั้นแต่เขายังไม่รู้ตัวเขาทำไมเขาจึงไม่รู้ตัวเพราะบารมียังอ่อนพวกที่ถือผีก็ดีพวกที่ถือเสียศาสตร์ก็ดีพวกที่ถือรัฐที่อื่นๆก็ดียังไม่รู้ตัวพอเขารู้ตัวเขาก็จะมาเริ่มใสยพระพุทธศาสานาทังนั้นเพราะ พนิพพานไม่มีใน ร, รัตที่อื่นเลยมีแต่รัตที่พระพุทธศาสนาเท่านั้นโสดาบันสัคตาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่มีใน ร, รัตที่อื่นเลยมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นเหตุนั้นจึงไม่ควรเดือดรอ้อนจะมีผู้นับถือน้อยหรือมากก็ไม่เป็นปัญหาไม่สําคัญว่าจะมีผู้ทาลายพระพุทธศาสนาได้เลยพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนฟ้า ผู้จะทำลายก็ค้ายการกคองทับน้ำลายบวนขึ้นคว้ามันก็ไม่ถึงถ้าไม่ถึงมันจะลงที่ไหนก็ลงที่หน้าของใครของมันใช่ไหมเห็นคนทำผิดมากก็ขาดความรอบสายในพุทธศาสนาก็เรื่องของใครของมันใครทำใครได้ใครลงงรงลุจานเพลิงก็เป็นเรื่องของคนนั้น คนผู้อื่นเขาไม่ลงลุยล้วงจันเริรเเขาจะร้อนทำไม่เขาไม่ลงลุยหลุมมุดพูดเขาจะได้เฉพาะปกขาเขาทำไม่ถ้าไม่มีคนดีสืบโลกโลกก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนดีสืบทำทำก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทาแต่ละหัวใจของแต่ใครของมันทำที่อยู่นอกประเด็นก็มีอีกทมที่ทรงอยู่มีอยู่ เป็นตามธรรมชาติถ้าไฟเกิดไฟดับก็ทรงอยู่ตามเกิดตาดับหาระหว่างไม่ได้ทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ทรงอยู่ตามไม่เกิดไม่ดับหาระหว่างไม่ได้คือพระนิพานถ้าไฟเกิดดับก็คือสังขารสังขาราพรมาทุกขะสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งจริงของใครเข้ามาอยู่ใครจะรู้ทํำจริงหรือไม่รู้ทำจริงก็เป็นเรื่องของผู้รู้และไม่รู้ ทรัพย์ทั้งหลายเหล่าน hmm ั um er ้นเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกืางคืนไม่งอ่งงอนให้คนไปรู้ตัวไม่งองอนให้สรัพย์ทั้งหลายไปรู้ตัวสังขารใดเป็นสังขารก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางันกลางคืนอันใดเป็นวิสังขารก็เป็นจริงอยู่ไม่มีอันกัางงอนกลางคืนผู้หลงก็หลงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ไม่หลงก็ไม่หลงอยู่ไม่มีกลางวันกงคืนเหมือนลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกผู้พ้นก็พ้นไปแล้วไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมหายใจเข้าออก ผูดถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญก็ถือว่าไม่มีบาปมีบุญไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมหายใจเข้าออกผู้ตะเกียกตะกายจรุดจับคนก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมหายใจเข้าออกผู้ที่ถือว่ามีผู้ที่ถือว่ามีบาปมีบุญก็จริงอยู่ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนกำลมหายใจเข้าออกผู้ที่ถือว่าไม่มีบาปไม่ีบุญก็จริงอยู่ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนกำลมหายใจเข้าออกจับลมหายใจเข้าออกแล้ว กบพิจารณาแปดหมื่นสีพระธรรมขันได้ผู้เชื่อพระพุทธศาสนาก็ไม่มีข้างล่าข้างข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมให้ใจเข้าออกผู้ไม่เชื่อก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมให้ใจเข้าออกจับอันหนึ่งนั่นแหละอ่านออกมดเหตุฉะนั้นจึงว่าอาณาบานัสติครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันความเกิดแก่เก็บตายก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกอันนี้จังทุกขังอนัตตก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกขุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณ ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเจ้าลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็อ่านได้หมดในใจโลกธาตุเห็นทุกขณะคิดหนึ่งพื่อเก้าลมหายใจเข้าออกทุกอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเหตุฉะนั้นจึงสอนให้ภาวนาศีลก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกผู้รักษาศีนก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกผู้ไม่รักษาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใช่ไมนั่งนั่งนั่งนั่งมานี่เลยอ ไม่ต้องแต่คั่วหาทัดชินก็ลงเงี้อยู่ทุกลมหายใจเขาออกสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ทุกลมหายใจเขาออกปัญญาก็รอบรู้ในกองสังขารอยู่ทุกลมหายใจเขาออกนั่นนั่นน่นนันนั่นกิเลสก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกผู้บาบางลงก็บาบางอยู่ทุกลมหายใจเขาออกผู้เหืๆๆ <The> the ่อแห้งหายไปแล้วก็เหื่อแห้งหายไปเหมือนลมหายใจเขาออกมามีข้างหน้าข้างหลังนั่นนั่นนันน่เอาอันนี้เป็นพยานเลย คนของพพุทธพระธรรพระสงฆก็มีอยู่ทุกเราให้ ใ, ใจเข้าออกนะพรนี il, ไ้ไปไปไปเที่ยงต้องขอแน่นซหันซีนเยวัดบะเมีชนี่เหนอขุนเป็นกอกเป็นซอยไปขุนอันนี้เฮ็ดอวดนาเค็ตเลยหลังว่มันอวดนาเขตเฮ็ดอีเ๋เพราะขันพรเฮ็ดจังสี่น้ำไหลลงไปหันมันไปนทับกับหลังคาทำมันพังเสมวตายอ่ะแล้วคัดน้ำออกทั้งเพ่คัดน้ำออกทั้งพุ่น ขับป้ายให้มันไหล ล, ลงไปหามันทับหัวตายเห็นมันไหล ล, ลงปองนี่เห็นมันไหล ล, ลงปองพุ่นอันที่มนทําให้มันไหลแต่นเตนื้อที่ของมันเครื่องหันจะหายบนอื่นไลลหลปหะไม่ไม่มีมมมนยโยบายยังสั่นว่าอซุบอื่นเป็นต่อเป็นซร้อยไปได้คุฎีไปทา้งตถวมันออกอะเมื่อตั้งก็สี่ชีพสามชีพหลังเลยะ่ะไปทา้งตะ ว, ตวนันตกในเคือกันเป็นต่อเป็นสร้อยไปเป็นตออเป็นซอยไ ป, เ, ป, เ, ป, ยไปเดี๋ยวนะผู้เกิดกรุงเทพมีไหมเนี่ยยกมือขึ้น ไม่มีไม่มีก็ฟังออกเดี๋ยวปฏิวัติว่อ้ตาเทาไรจักบอ่าอ้ยัอยองอูอีจุ๊กี้ไม่เข้าใปจปฏิปัติว่าแ ม, ม่มาจะใช้เมื่อนี้ฮะกาลสินไหมอ่ากาละศิลสินเนี่ยเป็นสินทุแม่นบ่สินทุพระองค์เก้าชีมาสินทุออกไปบวช ด, ด้วยพระพุทธเจ้ามาขาว เส้นถุเส้นเท่าแปลว่าขาวได้เกลือเส้นเท่าเขาเอามาแต่เมืองเหนือเกลือสิ้นเท่าเกลือบอสิดท่าเขานี่ยคำสอ น, ในใเนี่ยไตโลกทะฐานอย่าทถะคำสอนพระพุทธเจ้าเขาได้คำสอนพระพุทธเจ้าเขาสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติเต็มผู้มดแล้วศาสนาอื่นย่าส ม, มาแข็งดีกับเห็นศาสนาอื่นที่อื่นมากแข็งดีกับพระพุทธเจ้ามันก็บพระปานกันก็เอาเม็ดพันธพักกาศ ไปเทียบแล้ก็พวกเขาสีเ น, นรา น, นาฏ อ, อ, อย่างเนี้ยเขาบอกเาสั่นว่าเป็นหยงจังหวะมาเมาหลี่ยมไสาตนาพุทธมดอะกพาบพระบาลามียังอ่อนอยู่อันนี้สีส็นจังหดอ่เีบาลมีแก่กาเมีย่อมกมาอาคือกาเมีย่บาลมียังอ่อนอยู่เด้วพวกว่านมาเหลื่ยมไสพุทธศาสนาสางบาลมีว่าขันเต็มห้ามาเหลี่ยมไซพพุทธศาสนาแล้วเป็นคนสมควรเนี่ยเนี่ยสมองมังจะเขาจะขอเป็นคนสมควรแล้วอัเนาะ เาคนบาลมีแกกามาเหล่านี้ผอมว่าเหลี่ยมใสพระพุทธศาสนาพวกถือผีถือสางถื อ, อยงังนั่มปนเปกันยุ่งกับปันยังบกัดปันนี้พอกย่อมเป็นย่อมตายพระพุทธท้ามประสงค์แล้วมันกุ้นมันพวกวรรพวรรมัสวดาวันผู้มัสวดาวันเบย่อมเบย่อมถือศาสนาอื่นมาปนเปไม่ยอมถือศาสนาอื่นมาปนไปยอมถือศาสนาพุทธทนั้น เก็บป่วยมาก็หายามากินไหาก็หายไม่หายก็ยอมตายต่อพระพุทธธรรมพร ะ, ระสงค์นั่นพุ่มพระทวดดาวันไม่เสียดายรื่วงละเมิดศีลหาไม่เสียดายเรื่องละเมิอดอบัยวะมุขไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลือกดียามดีไม่เสียดายอยากจะครบมิตรชั่วไม่เสียดายอยากจะจองเวรทำโทษใดไม่เสียดายอยาก ค่าขายเครื่องฟาหานค่าขายมนุษย์ค่าขายจะเป็น เ, เลเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพ่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษไม่ใช่ได้เลยสิงได้ไม่ใช่ไดมันก็ไม่หนักไก่คือห้าวว่าใช่ได้ลงลุยหลุมทานเพิ่งมันกับว่านักไก่ห้าวว่าใช่ได้จะไปเหยียบก้อนฉี่ที่ห้าวกับว่านักไก่มันบว่ามีประโยชน์ก่อนว่าใช่ได้ตองลุหลุมหมูดลุมพุ่มห้าวกับว่านักไก่ ช่ยวยอะไรบ้างกูดเด้อกูทีไปล่องด้วยหลวงมูดพูดเด้ไปทานเขาก็บพระเว่าชอะไรบ้างกูดีเด้อกูทีไปร่องด้วยหลงวลงชังนซึืงเขาก็บ่ระเทว่าเนี่ยเขาเห็นว่ามันมา ม, ม, มีประโยชน์แล้วเห็นชอบแล้วเป็นสั่มมาทิฏฐิชอบแล้วหรือว่าเห็นชอบชัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจักยะทิฏฐิไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาวิคีกิจสาไม่ลังเลในพุทธศาสนาชีลปัตตปรามาส แม่ลูกครัมพระพุทธศาสนาเลยนั่นนั่นคือพระสวัสดิวันถึงพระสวัสดวันแล้วต่อแต่นนั่นก็จะอนาสกทาอนาคาอนาหันเป็นลําลับเพราะพ้นจากกิเลตเป็นเอกเทศแล้วพร ม, มอาจารย์บางต้นของพระพุทธศาสนาก็คือพระสวัาดวันเราดีๆนี่เองถ้าถึงพระสวัสดิวันแล้วก็ปิดประตูอาบายภภูมิทั้งสี่ ชัดน่ารกเป็ดาวิทยาศาสตรกายอืถ้าไม่แน่ก็มีหลายบางทีเป็นดอกบัวตูมแล้วถึงพระโสดาบันพ่นแล้วพ่นหนามแล้วดอกบัวชีเราก็มีอยู่ทุกกาลทุกสมัยมีอยู่ทุกกาลทุกสมัยทุกเวลาด้วยดอกบัวชีเรามีอยู่ทุกกาลทุกหมัยทุกสมัยทุกเวลาไม่มีแต่ครั้งพุทธกาลครั้งนี้ก็มี ดอกบานก็บานจมภูมก็คือครูาอาจารย์ทุกท่านพน้นไปแล้วดอกตูมก็ทูมจมภูมดอกขั้นที่สก็คือจะบานในวันพรุ่งนี้ดอกที่บานก็บานในวันนี้ดอกอื่นๆก็จะบานในวันต่อๆไปนะส่วนดอกที่อยู่ใต้น้ํานั้นบางทีก็ถือว่ามีบาปด้วยบางทีก็ถือว่ามีบุญด้วยบางทีก็ไม่ถือด้วยอืม เพลายบางทีบาทีก็ขาโผลขึ้นมาพ้นด้วยพ้นน้ำพ้นน้ำด้วยบางทีก็เป็นภกษาเห่งปลาในเต่าจิบหายชะก็ไม่พ้นแ่รอกว่าที่เรามีอยู่ทุกการทุกสมัยทุกเวลาของโลกด้วยสัตว์ที่เท่าสองเท่าสัตว์เสือ ส, สัตว์าสัตว์ว่า น, น, านในน้ำดำในดินวินในอากาศมันจะมาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาทั้งนั้นแต่ยังไม่ถึงข่าว ก็ต้องจำเป็นจะไปอยู่นั่นเสียพรพระพุทธเจ้ามากี่รัตน์พระองค์ล่วงไปแล้วความมีจะมาในอีกครา้งหน้าก็ดีเพราะฉะั้ทั้งหลายยังเหลืออยู่ในโลกวันมีมากสืบต่อกันไว้พระพุทธเจ้าก็ต้องสืบต่อกันไว้เป็นระยะระยะระยะระย ะ, ะไม่ขาดวักขาดตอนเลยยิงยืนยันในพระวิปัสสิตว่าอันนี้กษัตริตะโกตะโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกด สัพเพปุทาสมัสสมาสัพเพปุทาเหิติกาสัพเพทัศนพรูปตาเมสารเจหุปาคาตาเมสารัชยานนั่นฝนตกเรามาห้ามกันเทศเลยมั่นเนาะฝนหาแก้วลงลางสิขุนไฟแม่นบ่ฝนบอ ก, บกขลับพัดก่อนจะตกเรามาฝนมาตกนะพูดจากก่อจะตกใส่กินท่านดูก็้นจะตายเนี่ยเออ นาย่านท่านพาปีละพันหมืนผืนฝนว่าโตา๊ละไม้เฮ้าจะเป็นโต๊ะละไม้ใสเรียงพระเรียงพระ ใ, น, น, ใ, น, ใ, น, ใ น, น, นี่ำนาคกับพระหนึ่นนี้ำ น, น, <笑><笑>น า, าขาึนเนี่มือละแปดสิบนทั้งโยมมือละร้อยฝนพระป่าแดงง่ายนิดสิบฝนแล้วนึ่งคนลดต๊มากพูดจะก็จะเป็นโต๊ะใสเว่างพรนี่อะ โมเลว่าขอ้อความส่วนนี้เราสามทั้แ น, น่นเนี่ยพระพุทเจ้าวา่าท่านเนี่อฝนฝนฝนโค่นหางเห็นจากสินทำบกินบกท่านเลย่านพระพุทธเจ้าแต่พวกเาสตรพวกวิทยาศาสตร์บอกว่าทำลายป่าไม้ลำทานฝนไม่ตกตสว่าว้ามันใกล้หระอพทะเจ้าเนาะ ว่าหาสมุดมัไม่ใหม่สช่ต้นมันสมุดจบดีแต่ผนั่นน่ภาษารีบุตรบอกกันล่าภาษารีบุตนับเม็ดหินนับเม็ดฝนได้ไหมภาษารีบุตรนับเม็ดน้ำเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนได้ภาษารีบุตรนั่นน่น เสียชื่าณในรูปลูปัจจาเสยชื่อญาในเสียงสัตถะัจหาเสียชื่าณในกลินขานาปเสีชาณในลิ่นละสาปัจจาเสย่อญาณในหูสัตถะปัจหาเรนเกียร์งเกียระนะวัตชอื่นแรงเกียระพท่าทธศธาสุนัสเรียบออนชั้น่านชั้นฐานกติ มันยังพวกความ่ะค่ายใจนีฉันาคติพระลนะค่ายศาสนาอื่นแล้วยังพวกความไม่ชอบการอยกโทสะสาคติเ พ, ววาพรานะโกรธพทะพุทธศาสนาว่ามาติี่วขมจนว่ามีอยางพวกเขาอยากโงหาคติเพราะกดพรพพุทธศาสนาไม่แตกนนนนั แล้วยังพ่อกลัวด้พยาคติถ้าจะถือพระพุทธศาสนาแล้วก็คลัวนักที่อื่นเขาจะทำลายก็ยอมไปเรียนแค่ในถาเขายากว่าพยาคติพยาคงจะแสลว่าภัยอืมสุวรําเผ่ า, า, านะ่ะนักคติสี่จักการนี้ไมนควรวระลึกนะพระพุทธศาสนาจะมาจีรนั่งจะมาสอนอันเดียวกันไม่ได้รับร่างพอรอบอกันเลยเอ้าถ้าชาวโลกมีชินฮาบอลีบูรลสงครามก็ไม่มี กระทรวงกราโหมตำรวจก็ไม่มีทหารก็ไม่มีตำรตรวนก็ไม่มีเรือนจําก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโรคเอดก็ไม่ต้องมีโรคหนองในฝีมาห่วงก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเพราะมันมีขอบเขตใช่ไหมนี่มันล่วงละเมิดไปทุกวันนทุกยอมญา ก, ก็คือล่วงละเมิด อ, ออกจากสินห้าใช่ไหมเหตุนั้นศินห้าประจําตัวจึงว่าอาจารอาจารศ์ฤาษีเเรียกว่าอนุญาตกันตังภาษสีตัง อริยกันตศีลก็คือนับแต่ศีลห้าขึ้นไปก็ศีลพระอริยบคุคคลใช่ไหมนั่นถ้าผู้มีศีลห้าปฏิบุริแล้วสงครามจะมาจากไหนนั่นไม่มาเลยลองคิดดูดูทีนี้ลองคิดดู ด, ด, ดูคนในใตโลกธาตุมนุษย์โลกมีพลเมืองประมาณห้าพันล้านคนไหมคงจะอยู่ในระหว่างนั้นใช่ไหม จีนก็พันพันพันล้านเลยอะถูกไหมงวดมันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พันล้านจีนมีหกชิปลาดอัอนันไทยไทยของเรามีหกชิปลานจีนมีพันล้านใช่ไหมทีม่ประเทศอื่นคงหกเจ็ดพันล้านรวมมันเข้ามันคงจะมีสองร้อยประเทศกำลังในโลกนี้ต่มนุษย์โลกนี้คนในสองรอยประเทศนั้นก็อยู่ในระหวา่างประมา ห้ารอยหรือหกร้อยลานใช่ไหมหรือชิบหรือชิปหรือมากกว่านั้นที่นี่คนในโลกมีมผู้มีชิ้นห้าพอห้าชิปลานคนไมยไม่พ อ, อ, อยอดเข้ามาเอกที่ประเทศไทยมีหกชิปลานมีผู้มีชิ้นห้าพอยี่สิบลานไมคงจับจุดจุจุดจุดคงไม่มีใช่ไหมแค่ลอยจะไม่มีใช่ไหมทีนี้ที่นี่ผู้ตั้งกฎหมายที่นี่ ก็ตั้หมายอยู่ทุกวันนี่ดูกี่คนประมาณสามรอยคนไหมผู้แทนฮะตอบฮะมากกว่านั้นในระหว่างสี่ห้ารอยคนนั่นมีผู้มีชิ้นหา้าพอนร้อยคนไหมสันทิษะเลยทีนี้ที่ห้ามาให้ชาวบ้านชาวที่ห้ามาให้พระเป็นการบ้านการเมืองห้ามเพียงแค่ไหน นำเพียงแค่ไหนพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนพิษก่ตัวไหนเอตอบตอบตอบตอบตอบตอตอบไม่ได้เหรอพระบรมาศาลาสอนว่ายังไงในพระตรีเอกมีอยู่หน้าที่ของฆราวาจะทํากับพระทํายังไงหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวาจิกรมคือพูดอะไรอะไประกอบด้วยเมตตา สามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่เป็นประตูคือห้าไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อามิตรทานอยาขี้จะหนีมากะหน้าที่ของพระจะทํากับคารวะหนึ่งห้าจะทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอัน ง, งามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้เกลีกบอกทางสว่สานนาย น, น่นนั้นนั่นจะไปกีดขวางให้ามาให้พระ สั่งสอนญาติโยมจะไปเกีดยวขงองยังไงมันระยำจริงๆเราพูดอย่างนี้พวกตั้งกฎหมายกดหมู่ไม่มองดูคาําสถอนรธศาสตร์มันก็ไปไม่รอดเช่นส่งเสรมิมอบายามุกก่างนี่รัฐบาลก็ผีบ้าใช่ไหมไประชาชนก็ผีบ้าใช่ไหมนั่นนั่นอบายามุกเป็นไฟเผาโลกใช่ไหมมุขะมุขะแปลว่าชิบหมาอยู่เึ่นหน้าเช่นฝา ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระใจพีกหลเอาไปเผาไฟทิ้งซะอย่าไปนอนเฝ้า <c oughs> ทีนี่ลูกปู่ก็หาอุบายอุบายพูกกับพวกผู้แทนพวกผู้แทนชุดเก่าแต่ชุดใหม่ยังไม่เห็ น, น, นหน้าตะขอนดอกในชุดเก่าลุงลูกปู่หาอุบายพูดกเขาพวกลูกๆผู้แทนจังหวัดตะกอนมาเยี่ยมคนหนึ่งลุงลูกปู่จะขอถามจะคําบ้าง ถือว่าพูดกันแบบๆลูกๆกันหลานนะอดี๋ยวไปถือลูกปู่นะเราพูดอย่างนี้ทําไมพวกลูกจึงไม่เอากฎหมายไว้สักข้อบ้าว่าประเทศไทยถือพระพุทธศาสนามานมนานพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องขวัญ เ, เป็นเป็นเมืองขวัญของประเทศไทยมาแต่ดึกดําบรรทอทําไมยังเขียงไม่เขียงอะไรสักข้อบ้างเรพาพูอย่างกําลังหาเสียงอยู่ครับ จะมาหากินสมบัติอะไรเอพระตไตรปิฎกมันครอบแล้วก็พูดแต่เรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็มากกว่าร้อยโกรธเอออันเนี่ยการธาตุโกฏโยมากกว่าร้อยโกรธมาเป็นลุกๆๆๆ ๆ, ๆมากกว่าอสงไขยอี ก, กด้วยก็มาเทศนาสั่งสอนอั น, นเดียวกันอันนั้นไม่ใช่เสียงหลับหรือหลับอะารนี่จะมาหาเสียงที่ไหน อ, อีกอ่าพูดนะนี้ทีนี้ อพระไตรปิตก็ครบแล้วสีพะฮาเล่มก็มีมากร้อยเล่มก็มีมากอั น, นั้นไม่ใช่เสียงหรือพูดนะนี่จะไปหาเสียงที่ไหนอถ้าจะวัตถุนิยมภายนอกนี่ถ้าพระนรไม่ใช่เสียงหรือพระพุทธรูปขุดได้ที่ใต้ดินมีมากอั น, นั้นไม่ใช่เสียงหรืออถ้านคนปรปฐมก็ดีนครธิธรรมราชมีทุกคนทุกแห่งประเทศอินเดียมีทุกคนทุกแห่งไม่ใช่เสียงหรืออพวกลูกๆอพวกลูกๆเป็น เป็นมแมลงผู้มแมลงเพื่งจะไปหาเสียงกับมแมลงวันมันจะให้ไหมหรวงป่ท่านนี่เก่เาหัวทีนี่เก่าหัวทีนี่หลวงปู่ซักเสียกมาพูดก็พูดอย่างนั้นสิทีนี้อันพระบรมมหาราชาก็เป็นคู่กับาตาศาสรายมานมนานแล้วในพระไตรปิฎกก็กล่าวว่าราชาโนราชาโนทุกคนทุกแห่ง ถ้าพระบระมราชาไม่ทรงพระอนุญาตให้ก็ทํารื่องสงครามไม่ได้คืบข้าวบดที่เกี่ยวกับพระบระมราชาก็มีอยู่ราชาโนโจโรังไรเหตตวะา ห, านหันในจังหวัดงโจโรอุบลราชธานีห้หามใหารักของพระบระมราชาอยู่ที่ป่าก็ดีที่ไหนก็ดีห้ามาศกที่นี่ในคืบข้าวบดก็มีหลายแห่ง ในเท็จบวัดที่เกี่ยวกับพระบรมราชซาก็มีอยู่ในรัตนวัตที่เก้ามีสิบสี่คาบทพิสูจน์ในรับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินอยู่กับพระมเหสีตรองพายจะตีนะนั่นนั่นก็เกี่ยวข้องกันกับพระพุทธศาสนาอยู่แล้วทําไมจึงเอาไม่เอาไว้กับชาติกับาศาสนาแกล้งกลืนกันเป็นข้อเดียวกันออขี้ขาดใช่ไหมพวกลูกห ล, ล, ลา น, ลา น, ลานจะเบื่อเบือนพระพุทธศาสนาในอนาคตใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับ หาเสียงดูจะไปหาทําไมมันมีอยู่แล้วนะครับเกาหัวสิลูกปู่ซอกแทกมาพูดะความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็พูดตามจริงซิยืนยันตามความจริงไม่เป็นอุปทานาานะครับนี้มาละไอ้ข้ามวยหมอยอ่ไอ้ข้าดคดข้นมันออกแล้วเยอะดิไม่ทราบคนสะกล น, นครชื่อยังไงไม่ใช่ชื่อก่อนนะ ชุดก่อนชุดนั่นเขาออกไปหมดแล้วถูกรุบแล้วได้อีกไ่ไหมก็ไม่ทราบ <c oughs> เออไปเลยโยนี้สี่ทุก ท, กทนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงค์อยู่ทุกเมื่อเทินหลวงปู่พาพแผ่เมตตาอยู่ประจำวันหลวงปูม่มาได้เอาตามสัตย์เพลสัตตาชุกตาัตาน ต, น ต, นตุัตย์เพสัตาเวลาหันตุสัต์เพัตาไปเอเออโชคดีก็คือถือพระพุทธธรรมระสงค์โชคดี พรพุทธศาสนาะสามนุษสมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัตินิพพานสมบัติเต็ภมภูมิเนี่ยสอนเป็นลำดับไม่ตัดรับให้ขาดความด้วยแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจ ด, ด้วยพระพุทธศาสนะาอออ่ ะ, อะท่านระกปูท่านเรียนจบแล้วเนี่เรียนจบแล้วแต่เราไม่ได้เรียนมากมนะมเรออนะกาา เ, เ, กเออ เรียนจบแล้วท่านพระครูมีพยานอยู่แล้วเนี่ยเห็นมีพยานในจึงพูดถ้าไม่มีพยานทำไมพูดเอาเป็นพยานภูมิคุ้มผสมดาบาลมีอะไรว่าตอบนัน่ภูมิคุ้มผสมดาบาลมีอะไรว่าตอบน่บางทีเขาถามจะตอบได้ไหมล่ะเออหลวปู่จะตอบให้ฟังถ้าไม่ผิดก็ให้ท่านพระครูทวงมาก ถ้ามันผิดข้อที่หนึ่งไม่เสียดายยากจะถือศาตราอื่นอธิษฐาตจุดเทศไม่ถือศาตราอื่นมรสวัสดิวันนี้ทำผิดสังเคระตระนังมณีตังเอเตนะสเจนะสวัตถีโมตุมันมีในรัตนสูตรมีเครื่องอาชากาพิธานานี้พระโพกาทุงนี้ทำผสังเคระตระนังวินตังเอเตนะสเจนะสวัตถิโมตุพูดเป็นสังโยไม่ใช่พูดเป็นภาษามคตที่นี่ พระสวสดา a ันไม่ยอมถือศาสตราอืน่นอนันตเรกรรมหกมาทุกขาคามานดาวพิโตขาคามดานะครับจะฆ่าาปราหานโลหิตตวา ท, ทํารมาบไปพุทธเจ้าถึงอย่างโลงิตแห้งห้องกันไปสังฆเพศยังสงสัยแต่จากกันอันยัดซ์ดทุตเทศไม่ถือศาสตราอื่นอ่พระสวสดา a ันไม่ถือศาสตราอืน่นแต่สิ้นห้าก็ยังไม่ล่วงแลว้วทํำไมจะไปทาํามาทุขาพิโตขาอันนั้นก็พูดว่าเฉยๆโดไม่หนึ่งไม่เช่นใดถือศาสตราอืน่น สองไม่เสียดาย่าจรล่วงละเมิดชิ้นห้าสามเชื่อกรรมและผลของกรรมที่ทําดีและทําชั่วลงสนิทเชื่อมรคผลในพานสัญญาทิฏฐิไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาะวิกิกิจฉาไม่ดังเลในพระพุทธศาสนาะชี้และปัตตปรมา m a t ไม่รูคปคำพระพุทธศาสนาเอไม่สงสัยพระพุทธศาสนาะเลย ไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดชิ้นห้าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดอบัยมุขทุกประเภทไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่ใช่ไายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันเลิกดีรำดีด้วยไม่ใช่ไายอยากจะคบเม็ดชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาไม่ใช่ไายอยากจะค่าขายตัวทหารค่าขายมารุดค่าขายเกษตรนี่สิที่ถวาพุทธนาค่าขายน้ำมานค่าขายยาพิษ สิ่งเหล่านี้พระสวัสดิบาลไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเช่นเราไม่ใช่ได้ลงวีรุรุษั่นเทิงมันหนักใจมั้งมันก็ไม่หนักใจเราไม่ใช่ได้เอาน้ำลายเที่ยวบนทิ้งแล้วมาใส่ปากอีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจมันดีคนดีทดํา่ายง่ายคนดีคนชั่วทํายากตรงกันข้ามานั่นแหละทูล พ, พระสวัสดิบาลจะยืนข้าเดียวอ้าปากกินลมภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำ ถ้าเสียดายร่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็ไม่ใช่พระสวัดบิบาลมันก็เป็นพระสวดันโสดาสวัดาสวัดขาดขณีใช่ไหมนี่มีเครื่องวัดอย่างนี้เออจะอาปากจจินลมสักเพียงไหนก็ตามจะถือหน้าที่ไหนๆก็าตามเถิดถ้าเสียดายร่วงละเมิดสิ่งห้าอยู่เสียดายร่วงละเมิดอาบายามุขเสียดายถือศาสต า, าอื่นมาปนไปกับศาสตราพุดอยู่มันก็ไม่ใช่พระสวัดาบาล เห็นอันนี้จังชัดพระสวัสดบิบาลเดี๋ยวมันจะประูกุอเลขนะฮะนะไม่เมตตาไม่ได้เมตตาหวยเอเมตตาหวยเมตตาไม่ได้เมตตาให้หยุดเล่นหวยอ่ะมันจึงเมตตาในทางพุทธศาสนาเมตตาขอหวยไม่ได้ตัวรวยก็ตัวพุทธธรรมสงศ์ เพื่อใดถึงพุทธธรรมสงฆมีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์มนุษย์ก็เป็นมนุษย์โลกุตระสวรรค์ก็เป็นสวรรค์โลกุตระด้วยไม่ใช่สวรรค์โลกีนั่นเออควเมตตามาให้เล่นเลกเกณฑ์ทางเมตตาอยู่ผู้เมตตาให้เล่นเล็กไม่ใช่เมตตาเมตตาเมตชิหายอันนั้น ผ, ผู้เข้าใจว่าผู้เข้าใจว่าหวย มันจะเป็นทางเจริญอ่ามันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดรัฐบาลก็เห็นผิดเหมือนกันรัฐบาลกลัวว่ารัฐบาลผีบ้ามันไม่ถึงทำรัฐบาลผีบ้าผู้เล่นก็ผีบ้าพ่อก็ผีบ้าพ่อคือรัฐบาลเป็นผีบ้าลูกก็ประชาชนผีบ้าไปเล่นเลขกันพ่อกับลูกเล่นเลขกันมันก็ชิบหายเราเห็นรัฐบาลเราจะดุอยู่เดี๋ยวนี้ เออรัฐบาลพู้ปล่อยให้เลกอดผ้านไม่ใช่หวังจะให้ประชาชนเจริญมันเอาเงินใส่กระเป๋ามันขีปีมันก็ออกมานั่นรัฐบาลเป็นบ้าเราก็เป็นบ้ากับรัฐบาลมันไม่รู้เอ้อพระบระมศาสดาสอนไว้แล้วใครจะมีความเห็นเก่งกว่าพระบระมศาสตราไม่มีเลยพระพุทธพระพระบ ร, ะระมศาสตราบัญญัติถูกแล้ว อนอกจากพระพรมศ า, าสนบัญญัติบา บ, บุญคุณโทษไม่ถูกเพราะเขาบัญญัติบา บ, บุญคุณโทษเขาข้างตัวของเขาและพรรคของเขาด้วยถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมทรัพธรรมโอคดุกาธรรมโอพระบรมศาสนาเคารพธรรมที่สุดมาลองใจหลวงปู่นี่ตัวนี่ไม่ใช่ลังสัน อ่าลูกๆเข้าใจว่ารัฐบาลมีศีลห้าไหมลูกๆท่านบรมศาสดาสอนอย่างไรบ้างนักที่ราลาปัญญาจักกาคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้าคือคนไม่มีห่าบัณฑิตาปัินาจกกาบัณฑิตจังเป็นคนหัวหน้านักจากคนมีศีลห้าไปคือพระศรวาบันจึงเป็นหัวหน้าได้หรือนอกนั้นไม่ใช่หัวหน้านักนักนันักท่านบรมศาสดาสอนนักที่ราลาปัญญาจักะคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้าบัณฑิตาปัญนาจกกาบัณฑิตจังเป็นคนหัวหน้า อพวกรัฐบาลไม่ใช่บัณฑิตสักคนมีแต่คนพานเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์ตั้งกฎหมายแล้วก็ ก, กอดคอกันไปกินเหล้าแล้วยำซิ่งซึ่ของที่ใดมาในทางที่ไม่ชอบผลของกรรมมันมีเอา้าแม่ช่วยม้อยไปได้ไหมผลของกรรมมันตามอา๋อเพชราอุไปได้ไหมนั่นน่นนั่กรรมและผลของกรรมไม่เข้ากับดักที่ใดเลยนั่นน่น นั่ลูกปูไปยิงลูปูไปยิงลูกเขามันตามมาแล้วเนี่ยเออมันเป็นโลกมันเป็นโลกหัวใจลูกปูไปยิงลูกเขามันตามมาแล้วเนี่ยเอลูกปูไปลูกปูไปกินตับกบตั้งแต่เป็นเล็กมันก็ตามมาแล้วเนี่ยเป็นถุนน้ำดีอืชาวโลกอย่าไปมาสังขารไม่เที่ยงต้องทําประโยชน์ตัวนั้ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทเถิด ก็เลยเข้าฌานใครสอนเก่งก็ไม่เท่าพระบรมศาสดาเลยเพราะองค์ท่านประสบการณ์มาแล้วทั้งทางดีและทางชั่วทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติด้วยประสบการณ์มาแล้วจึงได้มาสั่งสอนของพวกเราจึงว่าสัตยถังสัพยันชนังเจวะระตริพุณังปริสุทธังภพเมจริยังประกาศเสสิธรรมห้างภควันตังภูติยามิตามหาภควันตัง ตำมางตำมังสังขารความือนกรนไม่ได้กราบไ่าจึงยอมกราบไ่าไม่ได้กราบไ่าแบบโง่โง่ถูกไหมนั่งอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของผู้ฟังในผู้พูดใช่ไหมคำสอนของพูดพุทเจ้าจะมีมากก็ต า, ามจะมีน้อยก็ต า, ามเพื่อบรรเทาให้ราคะเบาลงโทสะโมหะเบาลงเท่านั้นเหตุนั้นจึงมี ลักษณะตัดสินทำอะไรแตกประกานข้อนามประชีดประชาบดีโคธรมีที่เทศให้ฟังอยู่เมืองเวกยีนามนั้นทำเราได้ยินไปทุกความกําหนัดย่อมใจประกอบทุกาศาสนาความขี้เหรจ น, นย่อนลงมาก็สิ่งไหนที่ต่อเติมราคะให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่ต่อเติมโทสะให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่ต่อเติมโมหะให้จัดขึ้นอันนั้นไม่ใช่คําสอนอรนิยสัจมาย้อนลงมาในที่นั่งมา ถ้าอำการพ้นทุกในวัฏสงสารก็พิกษุณาสูงกว่านี้ทําแต่ได้วัฏบาทจงต่อพระ涅槃หมดมันขึ้นอยู่กับบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นเช่นพระพายะบา ร, รมีเกีย่ข้ามาแล้วเพราะพรมศาสสทนามองเห็นก็เออยยมคนนี้จะ่ทําเร็จพระรามในวันนี้ท่านรู้เลยแต่ว่าท่านพูดไปตามก่อนมันเผยๆก็สร้างบารมีเกี่ข้ามาแล้วพระพายะเพราะพระองค์ มองเห็นพระองค์รู้แน่พักเลยรู้จักว่าจะแตกฐานพระที่สำนาสีในวันนี้พระบารมีเกี่กล้ามาเนี้ยแต่ข้างพระเจ้าคัตปัดเรื่องฝักบันไดที่ น, นี่ท่านจะคุณฟังเอ่าท่านพระครูฟังสองเข้าใจพักเลยเพราะท่านเข้าใจเจ้ขอให้พระบ ร, รมศาตราเทศทั่วเข้าฟังด้วย <c oughs> เอ้อเรากำลังวินทบาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่สงกรนพระพูดไปตามแถวเฉยๆพระพระตามหลังก็มีอยู่ บางทีพระบรมศาตราสิ้นลมปราณเดียวนี่ก็ได้บางทีเก้าสิ้นลมบาณเดียวนี่ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแต่สังวรูปเป็นแต่สังวรเห็นเนี่ยครับพอแล้วทําไมจึงเป็นอย่างนั้นพระบารมีแก่ข้ามาแล้วครับพอแล้วแต่ฉันเอาไปสัมมิตาสีด้วยไม่ได้ว่าชิ้นห้ากูที่น่งอยู่กูกูอยู่ที่ไหนสมาธิกูอยู่ที่ไหนปัญญากูอยู่ที่ไหนไม่ได้ถามอย่างนั้นเป็นแต่สังวรูปเป็นแต่สังวรเห็นเนี่ยครับพอแล้วเพราะบารมีแก่ข้ามาตั้ง้าก่อนเนี่ย แปรดูดูวเป็นรูปหรูปเป็นรูปเห็นคือไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นเป็นตนไม่ยึดถือว่าตนเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจไม่ยึดถือผู้รู้เป็นเป็นตนตนเป็นผู้รู้สองขันศูนย์ในเงื่อนสองคือเป็นของว่าไม่ยึดถือว่าตนเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตนพิจาณาลงสู่อนัตตาธรรมอนัตตาธรรมก็ไปทําลายอัตวาทุปาธารมแต่กระจรึงไม่ต้องรี่างประฏิจจัต สมมติบาปสมมติ ป, ประบาปหรือสมมติบาปไม่ต้องเรีย น, นวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามโลกอายตระปัสสาะเวตาตน า, ต า, ตาอุปาทานภพชาติสถานถานันะแล้วควาทียทุกโชคนัน้นอุปอาญะไม่ต้องออนุโลมปฏิโลมเพราะมันแกจกกระจงแล้วทําไมพระาบรมศาสตร์ายจึงอนุโลมอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณ น, นามโลกอายตระปัสสาะเวตาตนะอุาเพื่อให้สมภูมิด้วย เออเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจครับ ด, ด้วยเข้าใจนะไอ้ตัวนี้มันจำการเดามันมาลองลบปู่ก็ุกในโลกไหมไห ม, มเพราะเหตุใดฮะเพราะเหตุใดจึงไม่มีความสุข ใครเป็นผ <honestly> ู้หาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปาไม่เห็นพระทหารใช่ไหมพระทหารหาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ฝาไม่เห็นเหตุนั้นจึงเบื่อหน่ายความหลงของตนไปซักข้ามทะเลหลงตนไปสักุกเพราะกระหัตสี่อย่างทุกเกิดแต่ความทรับจุกเกิดแต่จ่ายทรับบริโภคทุกเกิดแต่ความไม่เป็นนิเป็นขินทุกเกิดแต่ทํางานที่ปฏิจาคโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอนิจังเกิดขึ้นในกาแฟพวงนั่นเสียสลายสิ่งใดไม่เสียงเสิ่งนัก็มีจุก ถ้าอยากพ้นทุกข์ในวตฏสงสารก็พิจารณาความก็ลมหายใจเข้าออกเออลมหายใจเข้าออกข้างหนึ่งก็มีทั้งไตรเสียขาครบเลยเออเออแล้วพอเราบัญญัติว่ารมหายใจเข้ามันเป็นอดีตไปแล้วนั่นนั่นนั่น